ขาดปวดยอกเนี่ยครับลำบากเมื่อวานนี้นั่งลำบากเลยขยาบไปขยับมาขยับไปพยับมากราบก็ไม่ได้นั่งก็ต้องคลิกมันฝืนไม่ได้เลยนะมันเสียบฝืนไม่ได้มันไม่เหมือนเราไม่เป็นอะไรแล้วเรานั่งภาวนาไปแล้วเรารู้สึกปวดทุกขเวทนาเฉยเฉยไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะ ถ้าเป็นกบบนั้นเนเรากดนั่งกดอะไรก็ได้นั่งเราอะไรก็ได้เพียงแต่เราทาความศึกษาอยู่กับมันเน่ก็อยู่ได้แล้วนะอันนี้เราฝืนไปนี่มันก็เริกเลยนะเลยต้องปรับเปลี่ยนวังนั่งวางไปผุดผุดนิดหน่อยแล้วพอมาพิจารณาดูแล้วเราเริ่สือ่อจังทางใจแล้ บางคนก็ไม่รู้จะเอาเวลาเวลาไปทิ้งไว้กับอะไรก็ไม่รู้แหละ ว, วันคืนล่งไปมันคืนล่วงไปออยู่พาะเนี่การตั้งใจภาวนาเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเวลาไหนมันเป็นเอกเทศเป็นเอกเทศที่มันไม่คาดเกี่ยวมันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรมหมดห่วงหมดกังวลหมดอะไรทั้งหมดแล้วการนั้นเวลานั้นให้หมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างตอนค่ําเนี่ยหลั mm. บนะ้ำมาถ้าเสร็จอะไรเสร็จบางคนก็ทุ่นักเดินลองเดินไปบางคนไม่ทุ่นัดเดินทีเดียวกับนั่งนั่งจนเหน่อยรู้สึกง่วงๆก็ออกมาเดินอย่างนั้นก็มีบางคนถนัดอย่างนั้นก็ได้บางคนก็เดินไปเดินจ น, เ, นเดินตั้งแต่ยังไม่เมือ่อเดินไปจนเมื่อย สองชั่วโมองสามชั่วโมองหรือสี่ทุ่มล่วงไปแล้วก็ ข, ขึ้นไปนั่งเดินจนหนนรงนั้นเลยสองชั่วโมองขึ้นไปก็รสึกขาอ่อนเดินถ้าเดินเรงจริงๆนี่ก็เดินจยากเดินจะไม่ค่อยทนส่วนมากที่เดินได้ทนเนี่ยเราจะเดินตามพอดีพอดีกับกำลังของกัรไม่เร่งไม่อะไรเดินไปกำลังเรื น, นอยๆึิจารณาไปเร เราเดินแบบนี้เราจะเดินได้นานสองชั่วโมงสามชั่วโมงกม็สบายๆสี่ชั่วโมงรู้สึกรู้สึกว่าหนักตอนหนักตัวแล้วรู้สึกปวดตามข้อปวดตามอะไรู้สึกหนักเท้ามหนักตีนหนักมือแต่บางคนหนุ่มกับกำลังว่องชาเรยวแรงดีก่อนแคบไม่รู้สึกอะไรเลย แต่ถ้าอายุห้าสิบปีล่วงไปแล้วหกสิปีล่วงไปแล้วเจ็ดิบปีล่วงไป้จะเป็นดวงตาท่านตั้งเอาไว้ที่อายุห้าสิบปีอายุห้าสิบปีเริ่มห้าสิบปีไปแล้วร่างกายมันจะค่อยเสื่อมลงลค่อ ย, ค, อ ย, ค, อยค่อยอยู่ัแบดบูลแลบองุงรักษามันให้อยู่ได้อะไรไ ด, ได้จากนั้นไปถึงห้าสิปีเนี่ยไว้ไไหนุ่มไว้แนมไว้คอน กำลังวังชาณดีดีบางคนสุขภาพดีก็ห้าสิบปีหกสิบปีหกสิบปีถึงเจ็ดสิบปีกําลังวิงชาังดีต้งคงต้องคงบางคนสุขภาพไม่ค่อยดีอายุห้าสิบปีล่วงไปแล้วว่าจะอ่อนแอแล้ ว, ลวร่างกายมีที่จะบำรุงให้มันหรมีที่จะบำรุงมีแต่จะมีที่จะส่งเสริมไห้มันหกสิบปีล่วงไปแล้วอันนี้จะแน่นอนแล้ว หกสิบปีลงไปแล้วห้าสิปีก็คล้ายๆเกับว่ามาันถึงเกินหนึ่งมันก็ค่อยเริ่มลงเริ่มโค้งลงอายุสำคัขญของท่านของกําลังวังชามันก็เป็นไปนตามอา ย, อยุไขคการประกอบความป่าความเพียรของเรามันก็เกี่ยวข้องกับกําลังวังช้าด้วยนะอย่าว่าไม่มีความจําเป็นเพราะฉะนั้นครูบาอาจ า, าจรย์ท่านจึงเน้นท่านจึงเน้นให้เอาแต่เด็กแต่เล็กแต่หนุ่เนีน่ย ไม่ใช่แก่เท่าแก่งองแล้วอยมาจับมาทำอะไร ม, มันไม่ได้เรื่องในราวแล้วแหละถ้าเป็นจิตใจก็จิตใจแข็งกระด้างกว่าเ่ยจะดัดจะแปลงจะแก้จะไขจะอะไรก็ลาบากมากโบราณท่าว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากอัตภาพร่างกายหมายถึงจิตจิตใจนิสัยโดยเฉพาะความประพฤติเป็นพื้นทุนทั่ ว, วไป เขาบอกว่าถ้าเราได้ฝึกฝนอบรมมาตั้งแต่วัยเด็กวัยเล็กอย่างทุกวันเนี่ยวัยขอนเรียนวัยน้ำบาลน้ำบาลน้ำบานสอนวัยนุำบาลเนี่ยเขาเริ่มฝึกระมาัดระมัดตั้งแต่เล็กๆนฝึกได้ดัดได้จรงิงๆถ้าอยู่ในภาวะแบบนั้นตลอดไปเรื่อยๆไม่ไปเจอภาวะแย่งน้อมที่เสียหายดีครับ จะเป็นคนที่มีจริตนิสัยดีๆีเหมายถึงการฝึกการศึกษาการเรียนฝึกจริตฝึกนิสัยก็เช่นเดียวกันจิตใจของคนเราก็เช่นเดียวกันเราเริ่มฝึกมาตั้งแต่รู้อย่างสาภาวะเราฝึกฝนเรื่อยๆได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจซึมซับก็สู่จิตใจไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็เหมือนอย่างพวกเราชาวพุทธเนี่ย เราอยู่ที่ไหนเราอยู่จุดไหนของแผ่นของเมืองเราโดยเฉพาะอย่างภาคอีสานเราเท่าๆ ท, ที่เราเห็นๆกันง่ายๆแม้แท้จริงมันทั่วท่วทวไปนะเชาพุทเราไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนใหญ่ชุมชนเล็กเข้าไปอยู่ในที่ตัวรับกันดานบ้านป่าบ้านเขาบ้านอะไรไปที่ไหนก็มีวัดมีวามีพระเจ้ามีพระสงฆ์ที่นั่นถ้าฟังว่าใกล้ชิดกับวัฒนธรรมพระเจ้าพระสงฆ์นี้ มีโอกาสที่เราจะฝึกจะควนอบรมจรจิตใจว่าตั้งแต่เด็กๆเล็กๆนี่มันก็สามารถจะฝึกรือดึงลาบโจมจิตใจอของความเป็นเด็กเนี่ยเข้าเข้าสู่สิ่งเข้าสู่ธรรมได้ได้ทุกระยะได้เช่นเดียวกันอโอกาสมีทุกแห่งทุกคนมึงไม่ใช่เพราะโอกาสไม่มดีทีนี้ถ้าเราฝึกควนอบรมมาอย่างันเลยเลยจิตใจก็จะซึมซับศิลธรรมเข้าสู่จิตใจได้มาก นั่งมากขึ้นจนกลายเป็นจะเห็นจนกลายเป็นนิสัยการทำบุญการอัดทานการใส่บาตนะใส่บาตตามหมู่บ้านหมู่บ้านไหนก็ต้องมีบ้านชาวมาก็ต้องมีพระเจ้าประสงค์โนยุบก็บาตก็ต้องไปใส่บาตรบางคนไม่ใส่บาตหมดทุกทุกเพศทุกวัยในครอบครัวนัตั้งแต่พ่อบ้านแม่บ้านปู่ย่าลูกหลานจะสลับเปลี่ยนกใส่ ได้ทุกเพียงและทุกไปมันเป็นเรี่อทําทำให้เราใกล้ชิดกับวัฒนธรรมการเสริมสร้างให้รูจบบร้จับบาปให้รู้จักบุญให้รู้จักคุณให้รู้จักโทษมาตั้งแต่เล็กๆอันนี้ก็เป็นการฝึกฝนอบรมจริยสัยของเราฝึกไม้อ่อนดัดง่ายไม้เก่งดัด ย, ยากนี่คุณธรรมวินัยทางร่างกายก็เช่นเดียวกันฝึกมาตั้งแต่เล็กๆมันก็ดัดมันก็ดัดได้ง่าย ก่อนได้ง่าอะไรได้ง่าจิต ใ, <c oughs> ใจของเราก็ฝึกมาตั้งแต่เล็กๆมาตลอดการตลอดวัยนะวัยนุมวัยเน่อมวัยกลางคนวัยทํามากินวัยแก่วัยเท่าผ่านการฝึกฝนอบรมเกี่ยวข้องมาตลอดเราก็จะอยู่ในสิ่งนั้นทำจิตใจก็จะสงบเยือกเย็ยน <c oughs> เป็นคนมีจริตนีสัยเป็นคนมีหิรวตวิโอตระเป็นประจำ รู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักกักรู้จักโทษรู้จักบุคคลผู้มีพระคุณรู้จักเคารพรู้จักยำเกรงที่สําคัญก็คือรู้จักมีฮีริมีอัตตปะอันเกิดรู้จักศีลธรรมที่เราฝึกฝนอบรมเข้าสู่จิตใจมันสําคัญอยู่สำคัญสาคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างตอนนี้พวกเราเข้ามาสู่เพนี้ภาวะนี้อ เข้ามาสู่วัดวาอารามถือว่าอยู่ท่ามกลางท่ามกลางสถาบันการฝึกจิตฝึกจิตฝึกนิสัยของเราให้เข้าหลักเข้าเกณฑ์ของศา ส, สนานับตั้งแต่คุณธรรมคุณธรรมขั้นพื้นพื้นคุณธรรมขั้นขั้นท่นามกลางหัดฝึกหัดจิตนิสัยทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจอ เพื่อเป็นไปตามศีลให้เป็นไปตามธรรมผู้กระทั่งผู้ให้มีผู้ธระ ท, ท, ท, ทั่งต้งเป็นพื้นฐานกลางแล้วก็ถึงระดับข้อปฏิบัติระดับศีลระดับสมาสิลยิ่งเข้าไประดับสมาธิยิ่งเข้าไปแล้วระดับปัญญา ย, ยิ่งเข้าไปจุดประสงค์ความมุ่งหมายของเราคืออยากพ้นจากในวัฏสงสารการเวียนไว่าไปในวัฏสงสารก็คือเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย ก็ตะวันไม่จบไม่มีจบไม่มีสิ้นเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นโดยเฉพาะของร่างกายเนี่มันเป็นทุกขสภาวะมันเป็นสภาวะของอัตภาพร่างกายแล้ว่าอัตภาพร่างกายของข่ายเกิดขึ้นมาแล้วต้องได้รับต้องแก่เกิดมาต้องแก่แก่ไปแล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายนี่คือภาวะความเป็นไปของธรรมชาตมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ เราถือว่าเป็นเป็นกองทุกก้อนทุกเป็นกองทุกพวกเราตัต้เป้าเอาไว้เพวที่จะเดินข้ามวัดสงสารไปไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นพวเราก็ตั้งตั้งหกตั้งใจตั้งหกตั้งใจเสียสละรั้ช่องเข้ามาวัดวาตั้งใจบวชตั้งใจฝึกฝนตั้งใจ อ, อบรม มีการตั้งใจฝึกฝ น, นตั้งใจอบรมทั้งนี้คือการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอัตติอัตโนนาโถร้อยเปอร์เซ็นอัตติอัตโนนาโถร้อเปอร์เซ็นอย่างตั้งใจรักษาศีลเนี่ยเราจะใช้ใครทําแทนก็ไม่ได้การให้ทานเนี่ยเรามีโอกาสที่จะใช้คนอื่นให้แทนเราก็ได้เราฝากเขาไปทําบุญก็ยังฝากได้ฝากนน้นฝากนี้ฝากจะถูกปัจจัยสัต์ฝากสิ่งฝากของเข้ากลางหาร ฝากไปให้เขาทำบุญให้เราก็ได้แต่เราจะฝากเข้ช่วยรักษาสินแทนเราฝากไม่ได้เพราะนั้การต้งเรรักษาสิลเพื่อชำระกกายของเราให้บริสุทธิ์ไปตามสินชำระวายใจาของเราให้บริสุทธิ์ไปตามสินไปตามธรรมเราจะต้องเข้ามาฝึกฝนอบรมฝึกหัดด้วยอัตติภัณฑ์ตนัทโถของเราไท้เอาตนเป็นที่พึ่งของตน ยิ่งสมาธิเข้าไปละเอียดหรือเข้าไปอีกอติดแนบเข้าไปที่จิตนะติดแนบเข้าไปที่จิตฝึกฝนกายฝุกฝนวาจาก็เพียงระลึกะระลึกถึงสิขาบทแล้วก็ตั้งใจเอาสิขาบทมานั้นไม่ประพฤติผิดทางกายทางวาจาเนี่ยมากำกับกิริยาทางกายทางวาจา แต่การฝุกจิตให้ให้ได้รับความสงบที่ท่าเรียกว่าสมาธินะ่ะมากำกับที่จิตโดยตรงเยนี่ยแนบเข้ามาที่จิตประชับเข้ามาที่จิตแน่นเข้ามาที่จิตให้จิตได้รับความสงบให้จิตได้รับความสงบเนื่องจากจิตมันมีสิ่งพาไม่สงบพาระโดดเราดิ้นมีอยู่ภายในจิต น, นั่นะที่ท่าเรียกว่าตันหาตัหามันพาจิตดิ้นสร้างภายในจิต ตัญหาความท ย, ยาัอย่ามตัวนี้ตัวนี้แหละคือตัวที่เราพาเราดีเราเรียนสร้างเวีนสร้างกรรมทั้งกุศลกรรมทั้งอกุศลกรรมสรับสนบนเปกันกไปในวัฏสงสารทําดีบ้างทําชั่วบ้างผลตามมาก็คือได้รับความสุขบ้างได้รับความทุกข์บ้างได้รับความทุกข์ได้รับความทรมานนั่งจับมันมีความทุกข์มันก็มีความทรมาน ทุกข์กายก็คือทรมานร่างกายทรมานจิตใจด้วยบาที่ร่างกายสุขสบายแต่มันกลับได้รับการทรมานทางด้านจิตใจจิตใจได้รับความทรมานจากกิเลสปัญหาอาสะวะที่มีอยู่ภายในจิตนี่แหละเนี่ยตัวนี้เป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเราตั้งใจมาศึกษามาศึกษาให้รู้ให้เข้า ใ, ใจเหตให้เกิดความทุกข์ที่ต้เรียกว่าสมุทัย เนื่องจากว่าความทุกนั่นนะเวลามันเกิดขึ้นที่กายก็ตามมันก็เจ็บแสบไปที่หัวใจเวลามันเกิดขึ้นที่ใจก็ตามมันก็เจ็บปวดไปถึงหัวที่หัวจิตหัวใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นไปในหัวจิตหัวใจนะั้นมันเหลืออดเหลือทนไม่ว่าหัวใจของใครของเราของท่านเวลาประสบความทุกข์อย่างจริงจังก็ลองพิจารณานึกถึงให้ดีนะมันเจ็บมันแสบมันปวดล้าวภายในหัวใจขนาดไหน มันเป็นสิ่งที่เราเราหน้าเค็ดเราหน้าราวเพราะฉะนั้นเรามองเห็นกองทุกข์ในวัฏะสงสารเป็นกองทุกข์ที่หน้าเียดหน้าลาวความเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทำมหาเกินผิดหวังสมหวังต้องทนทุกข์ต้องทรมานต้องเจ็บแสบปวดร่างกายปวดหัวใจอยู่นั่นแหละ ไม่จบมีสิ้นนี่คือกองผู้ใดมาทำสงสามเราพยายามตั้งใจมาทำจิตให้ได้รับความสงบในรับความสงบเพื่อให้จิตหยุดโดดรินไปตามอํานาจของกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในจิตเมื่อจิตไม่ถูกกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในจิตมันกระสิบกระทซาบให้เราโดดรินไปตามมันเราก็ไม่เหนื่อยไปตามมันเราก็ไม่ได้รับทุกไม่ไไม่ได้รับโทษไปตามมัน จิตใจก็ปล่อยได้รับความชุ่มชืม่นได้รับความเบิกบานได้รับความอิ่มเปิกได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับความอิ่มเบิอนี่คือผลที่ตามมาเป็นผลรายได้ที่เราเก็บเล็กะสมน้อยจากการที่เรามาสังสมอบรมให้จิตได้รับความสงบนี่คือจิตได้รับความสงบจิตมีสมาธินั่นแหละ เราพูดอย่างนี้เราพูดง่ายเราพูดง่ายเราฟังง่ายให้เราย้อนไปถึงข้อปฏิบัติของเราเราประกอบเหตุอย่างไงทําให้เราได้รับความสงบเราประกอบเหตุอย่างไรวันคืนร่วงไปเราได้รับความสงบบ้างไม่ได้รับความสงบบ้างเราประกอบเหตุอย่างไรได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับความแนบแน่น แต่ั้งความเอือบอิ่มอยู่จำเพาะจิตไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันมีหลายขั้นหลายตอนหลายระดับหลายาาหลายวิธีเนี่ยเราต้องใช้อัตตัยอัตโนนาโถด้วยตนของตนแท้ๆมาตั้งอกตั้งใจมาฝึกมาฝืนมาอดมาทนมาทนทุกข์มาทรมาน เ, เพื่อ เ, เพื่อให้เกิดความเพ่ให้เกิดความข้าใจ เมื่อจิตสงบแล้วก็เอาความสงบของจิตพิจารณาให้รู้เหตุผลต้นปลาที่ไปที่มาว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นอะไรเป็นผู้รับทุกข์อะไรเป็นกองทุกข์อย่างพวกเราทุกวันนี้สื่อการได้ยินได้ฟังของเราก็ไม่อดไม่อั้นโดยเฉพาะเทปเอยซีดีเอวยธรรมของครูบาอาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะของประิบคุลหลวงตาเรามีฟังอัน เป็นพื้ น, นเป็นหลักแ ล, แลครูบาอาจารย์องนั้นครูบาอาจารย์องค์นี้เราจะได้ยินทั้งซ้ายทั้งภาพปฏิบัติทั้งภาพปริยัตเราก็ได้ยินได้ฟังทั้งภาพปฏิบัติเราก็ได้ยนินได้ฟังคือรเราได้ยนินได้ฟังข้อปฏิบัติภาพปฏิบัติให้เกิดความรู้ให้เกิดความมั่นใจน้อมมาที่คิดที่ใจนี่คือการได้ยินหรือการได้ฟัง การได้ยินได้ฟังข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุให้เราน้อมนํามาเพื่อเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเพื่อให้ให้เราได้ประสบเพราะเราก็อยากได้อยากดียากมีอยากเป็นอยากประสบความสุขความเจริญอยากพ้นทุกข์พ้นเวรพ้นภัยในยวัฏสงสารเหมือนอย่างท่านเราก็ตั้งอกตั้งใจความฝื้นอดทนอดเอา ทุกก็เอาลำบากก็เอาหนักก็เอา<ม>ตั้งใจฝึกฝนอบ<ม>รมฝึกฝนทนรับจนจิตได้รับความสงบ<ม>ได้รับความสงบง่ายได้รับความสงบญากเนี่ยอาการอัตโนมัติโถ่แท้ได้รับความสงบแนบแน่นได้รับความสงบแนบแน่นต้องการน้อมนำเอามาพิจารณามอะไรก็ได้ตามต้องการ อั น, นขึ้นอยู่กับความลึกตื้นความละเอียดของจิตที่เราชำรุดที่เราขัดเปล่าฝุกฝนอบรมตนและก็พทรมานตนได้เมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติแล้วเราก็เอาอันนี้ตั้งเป็นหลักตึกขึ้นมาเป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระเป็นแท่นเกียร์เป็นที่ยืนเกียรเพื่อที่จะได้ทํางานเอาความสงบของจิตมาพิจารณาทําลายความรุ่มหลงของตัวเองรุ่มหลงไปกับกองทุกข์นั่นแหละ ว่าอะไรสาเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นตัวทุกข์อะไรคือสาเหตุให้เกิดกองทุกข์อย่างแท้จริงอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะมานั่นแหละอันนี้จังทุกขรังอนัตตาเราก็ได้ยินได้ฟังอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราก็ได้ยินได้ฟังอันนี้จังทุกขรังอนัตตาอันนี้มันเป็นคติของรูปธรรมมันเป็นคติของนามธรรม คำว่คติคติคือที่ไปของมันรูปธรรมคืออัตภาพร่างกายร่างกายของเราประกอบปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประกอบไปด้วยอาการสามสิบเราอย่าลืมหลักหลักใหญ่อันนี้คือหลักใหญ่เราเนอะเข้ามาเลยอาการสามสิอดไม่ติดธาตินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั้นเป็นรนูปธรรม น, นี่เป็นรูปธรปรมแต่กับน้ำธรรมก็คือทางด้านจิตใจ รูปธรรมก็นามาทำเป็นตัวทุกข์เป็นกองทุกข์เป็นตัวทุกข์เป็นกองทุกข์เราตั้งอันนี้เป็นกองทุกข์เป็นตัวทุกข์เวลามันเจ็บมันปวดมันปวดมันไข้ขึ้นมาร่างกายได้รับความทุกข์โดยเหตุที่จิตมันยึดกายเนี่ยทำไมมันถึงยุดเราต้องความทำความสงสัยทําความสงสัยว่าทําไมจิตจึงทุกข์ไปกับกายจิตทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าจิต ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ฝึกฝนได้ อ, อกรมว่ากายก็สับแปลว่ากายความเจ็บปวดของกายก็สั์แ qu ปลว่าความเจ็บปวดของกายจิตผู้รับรู้ก็สัพท์แปลว่ารับรู้เมื่อเราได้ยินได้ฟังแค่นี้ก็จะเป็นเหตุทําให้เรารู้อยจักแยกแยกออกมาได้บ้างาร่างกายทุกเราก็รับรู้รับัทราบจิตใจมันก็ไม่พลอยทุกไปกับกายนี่จิตใจก็ไม่พลอยทุกไปกับกาย ทำไมจิตใจถึงพลดถึงปลอยทุกไปกับกายก็เพราะใจยึดกายเพราะใจมันยึดกายใจมันอุปาทานในกายคาว่าอุปาทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นในกายทำไมใจนี้จึงยึดมั่นถือมั่นในกายก็เพราะว่าตั้งแต่เรารุ่งรู้เรียงสาภาวะมาเนี่ยใจกับกายนี้เหมือนกับว่าเราเห็นว่าเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นอันเดียวกัน จนยึดถือกันอย่างแนบเนียนแนบสนิทติดอกติดใจเห็นความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นกายเราเป็นกายของเราเป็นใจเราเป็นใจของของเราหรือบางคนไม่ทราบเลยซ้ําไปว่าเป็นกายเป็นใจรู้ตัวว่าเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นเนื้ออันเดียวกันไม่รู้จักเลยซ้ําไปว่ารูปธรรมกันนํามธรรมเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเมื่อเราเมื่อเราไม่รู้เราไม่เข้าใจแล้วเราก็ยึด เป็นเหตุให้เรายึดยึดอัตภาพร่างกายเมื่อร่างกายได้ได้สุขเราก็ปล่อยมีความสุขมีความกระชุ่มกรชวยด้วยเมื่อร่างกายได้รับความทุกข์โดยปกติร่างกายคติของมันเราทราบไปแล้วคติของมันอันนี้จันทรุกคังอนัตตาเนี่จะเรียกว่าคติของมันคติของมันมันไปตรงนั้นแหละคือมันเมื่อของที่มันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองในความไม่เปลี่ยนที่ของมันยใครไม่สามารถจะไปดัดแปลงมันได้ ความไม่คงที่ของมันความเปลี่ยนแปลงภาวะของมันไม่มีใครสามารถจะไปดัดแปลงมันได้มันจะต้องเป็นไปตามคติของมันอยู่อย่างนั้นนับตั้งแต่เราลงสู่คันของแม่ปฏิสนธิในท้องแม่นับตั้งแต่ภาตของพ่อธาตของแม่ผสมกันทั้งคาน ต, ต่างๆเหล่านั้นก็จะมีการพัฒนา เปลี่ยนรูปเปลี่ยนตัวเองมาเรื่อยๆจากแล็กเริ่มเจริญเริ่ ม, มใหญ่เริ่มเมติบโตขึ้นมาเรื่อยตามภาวะสังขารของมนจนกว่าจะครบอาการสามสิบสองแล้วเราก็ออกมาเหมือนอย่างที่เราได้ได้กันมามาด้วยกัน น, นี่แหละคือภาวะของร่างกายคือภาวะนิจจันภาวะทุกข์ขันนี่คือคติของมัน คำว่าคดิคือที่ไปของมันที่มาของมาันตรงนี้เราเราอย่าลืมอันนี้เป็นหลักเป็นหลักในภายในที่เราควรเอาจิต ม, มาย่อนมาย้อนมาพิจารณาดูไม่งั้นเราหลงอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่รู้ว่าบนโลกนี้มีอะไรบ้างอะไรบ้างเราไม่รู้เราไม่เข้าใจแล้วแล้วเราก็ส่งจิตไปตัวที่ส์ตัวแดนไปตามเรื่องตามดาวจิตนี้มันจะส่งไปแบบไม่มีขอบไม่มีเขียนจำัญนะส่งไปสารพัดนั่นแหละ ที่มันจะส่งมาตามหลักสภาวะธรรมความเป็นจริงแล้วมันจะไม่ส่งมาแล้วมันจะส่งไปตามเรื่องตามราวของมันนะเกิดยิดตกเรื่องเรื่องใดมันจะคิดไปเรื่องนั้นเกิดกังวลเรื่องไดมันก็จะคิดไปเรื่องนั้นเกิดยินดีไปกับเรื่องใดมันก็จะปรุงไปกับเรื่องนั้นเกิดยินร้ายไปกับเรื่องใดมันก็จะปรุงไปกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นสาเหตุที่แท้จริงแน่นอนอันเก็นตให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นทราบไม่ได้เข้าใจไม่ได้ ก็มือนอย่างที่ว่าสมุดไทยสมุดไทยว่าด้วยเหตุใดจิตใจถึงมายึดถือร่างกายอันนี้เราก็ทราบไม่ได้ซนื่องจากไม่รู้แม้แต่กายก็ยังไม่รู้จักแม้แต่ใจก็ยังไม่รู้จักเหตุใด จ, จิตใจถึงมายึดถือร่างกายเราก็ยิ่งมืดทึบเข้าไปอีกถ้าเราไม่มา nia, บนเส้นทางบนช่องทางตรงนี้แล้วเราจะเข้าใจไม่ได้เราจะทราบไม่ไดนะ้ด้วยเหตุที่ว่ากายมันยึดถือเกี่ยวข้องกับ จิตมันยึดเกี่ยวข้องกับกายมานานเลยจิตยึดจิตเกี่ยวข้องกันยึดถือว่าเป็นตนเป็นของของตนไปเลยเนี่ยแต่ร่างกายมันไม่ได้มารับรู้กับเราว่าเรายึดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรามันก็เป็นไปตามภาวะของมันมันจยากเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบยังไงมันก็เป็นไปตามลักษณะของสังขารลักษณะของเหตุของมันลักษณะของปัจจัยของมันนะ เราบำรุงบำเหนือให้ร่างกายนี้อ้วนพีมีกำลังกำชาผิวพรรณผุดผ่อเราก็สามารถบำรุงได้เพราะร่างกายนี้อยู่ได้ด้วยอาหารเจริญได้ด้วยอาหารด้วยข้าวน้ำโภชนาอาหารอันประกอบไปททด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเวลามาสัมผัสสัมผาสก็มีรสมีออชามีกลิ่นมีออชามีรสมีชาติมีอะไรต้นอะไรแท้ที่จริงก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั่นเองใส่เข้าไปให้กับ ให้กับโครงสร้างของมันร่างกายนี้เป็นโครงสร้างเนะมื่เราได้โครงสร้างมาจากพ่อมาจากแม่ได้แล้วเราก็หาเหตุหาปัจจัยมาใส่ให้มันโครงสร้างต่างๆเหล่านี้กลายเป็นอาหารเป็นหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายให้มีอยู่ได้มีได้ให้มีได้ให้อยู่ได้ให้เป็นไปได้ให้เจริญไปได้แต่มันจะอยู่ไปยังไงลักษณะไหนก็ตามมันจะต้องเป็นไปตามคติของมัน คาปกติคือที่ไปของมันที่ไปของมันที่เป็นทุกข์เป็นโทษที่พุติชาธัชี้ให้เราเห็นก็คือความไม่เที่ยงของมันมันเปลี่ยนตัวเองไปด้วยไม่คงที่เปลี่ยนตัวเองไปด้วยเป็นอนิจจ์เป็นทุกขังทั้งอนิจจ์เป็นทั้งทุกขังเนี่ยมันไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของใจไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของใคร เพราะฉะนั้นท่านจึงว่า อ, น, า อ, น, าอ น, นัตตาอนัตตาอนิจจ์ทุกคำ อ, อนัตตาอันนี้เป็นลักษณะของสังขารทั่วทั่วไปถ้าเราพิจารณาให้เกิดความน้อยเกิดความเข้าใจถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจแล้วเราจะเห็นสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีน่าพอใจน่าหวงแหนน่าทะนุถนอมอโอกาสที่จะไปชอนไปใช้ไปรือ้อไปฟื้นศึกษาหาเหตุหาปัจจัยของมัน ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาโอกาสที่จะทราบเหตุปัจจัยที่แท้จริงของมันก็ทราบไม่ได้นในที่สุดเราก็ยึดไปถือไปด้วยความรุ่มหลงความรุ่มหลงความลุ่มห ล, ล, ล, ล, ลงก็คือก็คื อ, ก, คอก็คือโมหะนวิชาโมหะภายเอารุ่มหลงการที่เราพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเห็นเป็นปัญญา เข้าไปรู้เข้าไปเห็นเหตุอย่างแท้จริงเข้าไปรู้เข้าไปเห็นปัดใจเพราะมันอย่างแท้จริงเมื่อเราเข้าไปรู้เราเข้าไปเห็นเราไปเข้าใจแล้วเราก็หมดความสงสัยในความมีอยู่ของมันในความตั้งอยู่ของมันในความเป็นไปของมันทำเกิดความรู้ทำเกิดความเข้าใจมันเป็นการผ่อนคลายความยึดความติดที่ท่านเรียกว่าปาทานนี่คือที่มาของสมรรถคือที่ไปที่มาของปัญญา เพื่อมาทําให้เกิดความรู้ทําให้เกิดความเข้าใจตรงนี้ฉันได้มีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์มากซึ่งเป็นงานเป็นหน้าที่พวกเราอยู่ในหน้าที่ที่จะต้องศึกษาจะต้องคน้นคว้าจะต้องพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจของสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้สิ่งอื่นนอกนั้น เป็นสิ่งที่ขยายไปจากการที่เรามีอัตภาพร่างกายเช่นอย่าง ก, การทําหากินนะมีสาขามีอาชีพผแผนกนั้นมีอาชีพผแผนกนั้นมีอาชีพผแผนกนั้นนะมีความรู้มีความเข้าใจตามหลักที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเล่าเรียนหลักนั้ น, ว, น, น ว, un, วิชานั้นวิชานั้นว่าดูเรื่องนั้นวิชานั้นว่าดูเรื่องนั้นวิชานั้นแล้วว่าดูเรื่องนั้นซึ่งเป็นวิชาชีพวิชาชีพเราทํา เพื่อได้ผลผลมาได้เหตุมาได้ปัจจัยมาเพื่อบำรุงหล่อเลี้ยงอัตตาพลังกายเหมือนอย่างอาชีพการงานทุ่วไปอย่างที่เรามองเห็นนำํำหนักเข้าเราเลยไปยกความสําคัญให้สิ่งต่างตเหล่านั้นทั้งหมดหรืยอย้อนมาดูเหตุผลต้นต่ออันเป็นเหตุอันเป็นปัใจจัยให้เกิดขวัญความสุขอย่างแท้จริงให้เกิดความทุกข์อย่างแท้จริงนะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมาบดบังเชื้อ งานการต่างๆเหล่านั้นมันมาบด บ, บงังเสียเพราะงานการต่างๆเหล่านั้นมันก็มาปั่นหัวเราจนพอแรงแล้วเพราะงานทุกอย่างงานทุกเรื่องอล้วน ม, มีเหตุมีปัจจัยของมันเหตุปัจจัยของมันก็ลวมม้วนมีมีปัญหาที่เราจะต้องอหามาที่เราจะต้องแก้ไขที่เราจะต้องจัดหาที่เราจะต้องจัดทําเลยวันๆหนึ่งวุ่นไปแต่กระสีต่างๆเหล่านั้นเป็นเหตุให้เรา เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาอารมณ์อารมณ์ ร, มรักบ้างอารมณ์ช่างบ้างอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์โมโหโทโสกิจ ต, ต, ตา ม, มามโอกาสโอกาสที่เราจะย้อนมาดูสาเหตุต้นต่อคือสมทุทัยให้เพื่อที่จะให้จิตเหล่านี้มีกิริยามีปฏิกิรยิรยาที่เรียกว่าเกิดโมโหโทโสเกิดโทสัตเกิดอิฏฐิาทิศยาเกิดปริญญ า, าโอกาสที่เราจะย้อนมาดูมาศึกษาหมดโอกาสจะย้อนมาได้แล้ว ยกความสํางันมั่นหมายให้กับวิชาการรรมะอินต่างๆเรานั้นหมดไปแล้วโอกาสที่เราจะทราบเหตุผลต้นต่ออย่างแท้จริงศสตรใน ย, ยากมากเพราะฉะนั้นเรามาสู่เพศนี้เรามาสู่ภาวะนี้เรามาสู่สถาบันพระศาสนานี้เป็นการมาหยุดถ้ำหลังวิชาตรงนี้ศึกษารู้หลักให้รู้เหตุให้รู้ผลรู้ต้นต่อให้รู้ที่ไปที่มา ของอัตภาพร่างกายถือว่าเป็นการศึกษาชีวิตชีวิตของกายนี้ชีวิตของจิตนี้เพื่อทราบสาเหตุเพื่อทราบต้นต่อเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่อองที่เป็นเหตุให้เกิดการยึดมั่นถึงมั่นโดยป่าทานอันเกินเหตุนำมาซึ่งกองทุกมาคอยทิ้งแทงจิตใจของเร า, าวันคืนยืนเดินนั่งนอนร่วงไปทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้วิดตกกังวลกับเรื่องนั้นวิดตกกังวลกับเรื่องนี้ หัวบุญปันหัวสักขนาดไหนก็ตามเราก็ยินดีเราก็พอใจเราเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นจิตเป็นทุกเป็นหน้าที่ที่จะต้องจัดต้องทำนะมันทำให้เราให้ความสำคัญมันหมายกับไปกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดโอกาสที่เราจะประสบความสุขอย่างบริสุทธิ์ก็ประสบได้ยากประสบความเจริญทางด้านจิตใจยอย่างแท้จริงนั้นก็เป็นไปได้ยาก ในที่สุดประสบความสุขความเจริญอย่างผิวเผินอันเป็นผลิตผลของกิเลสทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความบริสุทธิ์โดยธรรมเป็นไปได้ยากก็แก้ได้ยากนอกจากบุคคลที่มีความสนอกสนใจมาตลอดการมาตลอดวัยเท่าที่เรารู้เดียงสาภาวะมาจากการได้ยินจากการได้ฟังจากวัฒนธรรม ที่เราเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาปูญยาตายายพานับถือพาตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมมาโดยลำรับถึงจะมีโอกาสได้สังสมได้อารมมาเรื่อยๆได้รู้ได้เข้าใจแต่ถ้าหากตรงกันข้าม แ, แล้วเราก็แห้งผ่าไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งต่างๆเราเลยแล้วโอกาสที่จะพาจิตของเราเนี่หันเห อ, ออก ไปทางมิจฉาทิฐิเพราะมิจฉาทิฐิในโลกนี้มีร้อยแปดพันอย่างที่จะน้อมนิยของเราเนี้ให้โอนอ็นไปตามาไปตามสิ่งที่มีนอกนอกเหนอือไปจากหลักอั น, นิี้อย่างทุกขังอนักตาอันเป็นเหตุผลที่จะดึงมามาศึกษาเรื่องกายมาศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจมีโอกาสที่จะดึงไปลากไปเป็นย่อมนุนมากเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นท่าน ยังไม่เข้ามาสู่หลักธรรมตรงนี้แล้วโอกาสที่เราจะมีความรู้ความเห็นที่ทันเรืมมนะ่องสมาทิถี่น่ะจะเป็นไปได้ยากส่วนมากมันจะหันเหไปตามเรื่องตามอํำนาจของกิเลสทั้งหมดที่มันจะพาเรานึกเราคิดปรุงแต่งเป็นเหตุให้เกิดราคะให้เกิดโทสะให้เกิดอะไรให้เกิดการยึดเกิดการถือมากมาไม่เท่าไหรไม่มีกําหนดกเกณฑ์ละเป็นไปตามอานาจของความรุ่มหลงภายนาิตยังไม่จบไม่สิ้น เน่เพราะฉะนั้นเรามาอยู่ตรงนี้คือว่ามาะยู่ในธรรมกลางแต่ว่าเราจะต้องใช้ความภาพจะต้องใช้ความเพียรใช้ความขุดซับพยายามอย่างยวดยิ่งกว่าจะประสบความสําเร็จแค่เราได้รับความสงบพวกเราตั้งใจปฏิบัติทำมาน แต่เข้าพษามาโดยเฉพาะมาถึงระยะนี้มันก็หมดไปสองเดือนกว่าแล้วสองเดือนครึ่งแล้สองเดือนครึ่งนั้งเหลือ อ, อ, อ, อีกครึ่งเดือนที่จะออกพษาเนี่ยนั่งเหลืออีกครึ่งเดือนที่จะออกพษาถ้ า, าเราได้ตั้งหกตั้งใจทําให้จิตได้รับความสงบเราก็จะต้องได้ประสบพบเห็นความแปลกประหลาดอสิจันอะไรอยู่บ้าง บางคนก็อาจจะได้ง่ายบ้างบางคนก็อาจจะได้ยากบางคนก็อาจจะครึ่งกลางๆยังไม่เข้าใจอะไรเลยก็มีบางคนก็ตามั้งใจได้รับความสุขได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับความเชืเ่นบันความแปลกประหลาดอาศัศจรรย์ภายในจิตภายในใจมันต้องมีเป็นเรื่องธรรมดาพอมาถึงตอนนี้เราพอจะมีอะไรมา พูดมาคุยมาแจกมาแจกกันได้บ้างในหมู่เพื่อนเราในหมู่เราในเพื่อนในหมู่เพื่อนเราในหมู่สงเราเราประมวลมาได้อะไรหรือว่าเรายังไม่ได้ประสบความสุขความสงบความชุ่มเย็นอะไรภายในใจบ้างเลยอือันนี้ก็คอยเราตั้งอกตั้งใจต่อไปให้ตั้งอกตั้งใจเพราะเรายังไม่ได้ประสบ ผลอะไรบ้างเลยถ้าเราประสบผลมาบ้างได้รับความสงบในรับความเปลี่ยนแปลงคีย์ริดนิสัยของใจได้รับความรอบรู้อัสภาพร่างกายเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ความเป็นไปของรูปเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ความเป็นไปของใจเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ถึงว่าเราได้หลักไดข้อปฏิบัติเมื่อเราได้หลักเราได้ข้อปฏิบัติคือเราก็จับไปจนตลอดชีวิต เพราะชีวิตอันนี้แหละมันเป็นชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดคุ้มค่าที่สุดที่เราได้อาตภาพมาเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพระศาสนาที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่พระพุทธเจ้าพระสง์ตรัสไว้เป็นสวัสดิขาตธรรมตรัสไว้ถูกและตรงแล้วตามที่สภาวะที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงกิเลสเกิดขึ้นจริงภายในใจเป็นอย่างนี้อย่งนอย่างนี้ การจำระย้อนมาพิจรารณาเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราได้ข้อปฏิบัติแล้วเราก็น้อมนํามาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของเราอสืบเนื่องไปจนกว่าชีวิตเราจะหาไหมถ้าเรายังไม่ได้อริยธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างน้อยเราก็ยังอยู่ในกริยา เป็นกาลยานชนเป็นชนที่มีศีลเป็นชนที่มีธรรมเป็นชนที่อยู่อย่างมีความสุขเป็นคนที่มีเวรน้อยเป็นคนที่มีภัยน้อยถ้าหกประกอบชีวิตจิตใจของเราเป็นไปตามศีลเป็นไปตามธรรมโอเคเป็นผู้ที่มีเวรน้อยจะเป็นผู้ที่มีภัยน้อยเพราะการที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อนามาซึ่งเวรซึ่งภัยเอามาทิ่มแทงกายของเราเอามาทิ่มแทงจิตใจของเรา ความทุกข์ความทรมานร่างกายความทุกข์ความปรมานจิตใจมันก็เป็นไปตามนั้นถ้าเราได้คุณธรรมบ้างอะไรบ้างเราก็น้องอันนี้มาเป็นข้อปฏิบัติยึดเป็นชีวิตจิตใจไปจนตลอดอายุไขันี่ถือว่าสร้างตัวได้มันจะต้องไปประสบความสุขความเจริญในสุขติอย่างแน่นอนในเมื่อในปัจจุบันเราประสบผลฐานแล้วก็ได้รับความสุขในปัจจุบันน โอกาสที่เราจะได้ประสบความสุขในสุขติในโอกาสต่อต่อไปย่อมมีได้ย่อมเป็นได้ดูมาที่จิตเหะย้อนมาที่จิตกำหนดมาที่จิตย้อนดูมาที่จิตมันไม่ได้อะไรก็ให้มันอยู่กับจิตเนี่ยพิจารณาจิตเจ่าของดูจิตเจ้าของพิจารณาจิตเจ่ของดูจิตเจ้าของดูมาที่จิตย้อนมาดูที่จิตรูว่าจิต มันไปเกี่ยวข้องกับอะไรมันได้รับความรู้สึกยังไงมันเกี่ยวข้องกับอะไรได้รับความรู้สึกยังไงถ้าเราไม่ย้อนมาอยู่กับจิตไม่ย้อนมารู้อยู่กับจิตเนี่ยเราจะถูกความอยากถูกตัณหาเนี่ยมันพาจิตเราไปทุกระยะทุกเวลานาทีเพราะตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวสมุทยัยเป็นตัวกิเลส เป็นตัวตันหาเป็นตัวอาสาะแท้จริงก็คืออันเดียวกันนั่นแหละคื อ, คอพิษภัยของจิตที่มีอยู่ภายในจิตมันเป็นพิษภัยที่ไม่ดีสำหรับจิตเป็นเหตุนํามาส่งเพศภัยให้กับกายนี้ให้กับจิตนี้บางการบางคราเกิดกิริยาเกิดปฏิกิริยาซึ่งมันไปนเกี่ยวข้องกับอารมณ์เกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาสามารถทํา อากุศลกรรมได้ทั้งกายกรรมสมารถทอากุศลกรรมได้ทั้งวจีกรรมคือคำพูดคำด่าครราคำว่าไว่จะเป็นเห็ุ เ, เป็นเพศเป็นภัยนะครับทั้งมโนกรรมคือคืนนึกผิดคิดผิดเข้าคิดผิดเข้าใจผิดเนี่ยรวมไปถึงการฆ่ากันการทำลายกันการทำลายทรัพย์สินของกันกัน การทำร้ายร่างกายซึ่งทรเละกันเนี่ยร่มเป็นเหตุเป็นเพื่อเป็นภัยทั้งนั้นถ้าหากางเหรินศินธรรมแล้วสิ่งเัลนี้ก็จะตามมาเป็นเวรเป็นภัยให้กับเราไม่มีจบไม่มีสิน้นดูมาอยู่ที่นี้ไม่มันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ไปไหนจะไปยังไงก็ดูมันตามดูมันตามพิจารณามันตามเข้าใจมัน ต้องให้สงบอยู่กับที่แล้วกําหนดบริกรรมเข้าไปต้องการพิจารณาแยกๆเขาพิจารณาให้เข้าหลักความเป็นจริงอย่าไปสงจิตล่งลอยไปกับสิ่งที่เราคาดกับสิ่งนั้นกับเรากับสิ่งนี้ให้คาดเดามาสู่การนี้การนี้คาดดาว่าเป็นดินเป็นนา้าเป็นลมเป็นไฟนการเดาอย่างนี้มันเป็นสัญญามันเป็นมันเป็นมักนะการคาด อัตภาพร่างกายของเราเป็นอาการสาสองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาเราก็หมดพิจารณาเข้าไปอันนี้ก็เป็นธรรมะเป็นข้อปฏิบัติให้ใจเราหมุนอยู่กับสิ่งต่างๆเรานี่มันเป็นการเอาใจมาทํางานนี่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานเอากายเป็นอารมณ์ของใจเอาใจเป็นอารมณ์ของใจ เอาใจเป็นอารมณ์ของใจเอาใจเป็นอารมณ์ของใจคือเรากำหนดพิจารณาจิตนะพิจารณาความรู้สึกของจิตจิตโลภก็พิจารณาอาการของจิตจิตโกรธก็พิจารณาอาการของจิตจิตรุ่มหลงก็พิจารณาอาการของจิตจิตกลัวก็พิจารณาอาการของจิตจิตหลงจิตเพลินจิตรัก กำลังยินดีกับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้กับพิจารณาดูอาการของจิตเราพิจารณาดูอาการของจิตแล้วเราก็ย้อนไปที่อารมณ์ที่มันทําให้เกิดอาการต่างๆเหล่านั้นอันนี้ถือว่าเป็นการคลี่คลายจับผลมันก็ย้อนไปที่เหตุจับผลแล้วก็ย้อนไปที่เหตุจิตโกรธจิตราคะเนี่ยจิตมีความคําหนัดความคําหนักภาย ใ, ในจิตมันละเอียดนะ ส่วนมากเราทราบไม่ได้เราเราทันยากเราจะทราบได้ว่าความกำนังทางกายในเมื่อความกำนัดมันมาถึงกายแล้วเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นความกำนังที่หยาบนั่นแหละเราก็จะมาทราบได้แต่ห ย, ยาบอันนี้แหละแท้จริงถ้าเราทันความกำนังที่จิตอ น, นั้นแหละคือต้นตอของมันแท้แท้เราก็กำลังจับความกำนังของจิตจิตมันมีความกำนัดอะไรด้วยเหตุใด มันนึกยังไงมันรู้ยังไงมันเห็นยังไงมันพิจารณาอย่างไงถึงเกิดความกำนังชอบพอใจกับเพศตรงกันข้ามเนี่ยย้อนเข้าไปพิจารณาเข้าไปย้อนเข้าไปด้วยพิจารณาเข้าไปด้วยทําความรู้สึกกับอารมณ์ที่มันเกิดภายในจิตด้วยทําความรู้สึกกับอารมณ์ที่เกิดภายในจิตด้วยย้อนเข้าไปที่สาเหตุที่มันเกิดด้วยก็หมดจดจ่ออยู่กับอาการที่มันเกิด หราย้อนไปที่ต้นเหตุที่จะทำให้มันเกิด อ, อาการต่างๆเรานั้นเรามาจับตรงนี้ได้เราได้ข้อปฏิบัติจิตของเรามันเกิด อ, อะไรขึ้นมาเราจับปับ๊บจับปั๊บเราก็ย้อนปุ๊บพอจิตเราเกิด อ, อะไรขึ้นมาปับ๊บเราจับปั๊บที่จิตเราก็ย้อนไปปุ๊บเราจับอยู่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางมานนะเราอยู่ท่ามกลางมาันมันจะเป็นมหาสติปัฏฐานทุกอิรยาบถยืนเดินนั่งนอน เมันเกิด อ, อะไรขึ้นมาเราจับปุ๊บทันทีจับมาที่จิตคนะรับขึ้นมาจับขึ้นมาทันทีแล้วก็ย้อนไปที่เหตุขาาองมันกลัวจับมาที่จิตดูอาการของมันเป็นไงที่วัดจิตมันกลวมันกลัวนะอาการเป็นยังไงพอเราดูไปพอเราส่องจิตเข้าไปทําความรู้สึกเข้าไปกําหนดเข้าไปมันก็มันก็เหยื่อไปแล้วหายไปแล้วให้คำว่าความกลวน พออาการมันเป็นนี้มันเป็นนี้เปน น, น, นี้นี่เขาเรียกว่าเอาจิตมาจิ้มจิตเอาจิตย้อนมาที่จิตกำลังพิจารณาพอเราพเราพิจารณาดูอาการมันแล้วเราก็ย้อนไปที่เรื่องเรื่องอะไระเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดจากเหตุเราย้อนไปที่เรื่องคือเหตุนี่เราจับอยู่ตรงนี้มันเข้าหลับอริยสัจทังสี่เรามาอริยสัอริยสัจทั้งสี่เราจะต้องมาหลักตรงนี้ เราได้หลักแค่นี้มันจะแตกกระจายไปหมดนะในธาตุในรูปธาตุในนามธาตุของเราในกายของเราในจิตของเราเลยจับตรงนี้ได้มันจะไปจายไปหมดมันจะแตกกระจายไปหมดนะมันจะเกิดความรอบรู้เกี่ยวกับภาวะของธรรมะที่มีอยู่ในภายในมันจะเข้าใจมันจะเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องกันไปหมดเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากอํานาจของใจทั้งนั้นมันมีจิตดวงเดียวเท่านี้แหละ ที่แสดงโลกของเรานีให้ปรากฏมีจิ ต, ตดวงเดียวเท่านี้แหละสมมุติเราอาจิตต่อปับถ้าเราดูไปสิ่งนอกตัวเราเหมือนก้อนหินเลก้อนหินไม่มีจิตมีอะไรไม่รู้เรื่องอะไรอาศยจิตดวงนี้เ่ยทำให้เราได้รับความสุขทำให้เราได้รับความทุกข์โดยเหตุที่เราไม่เป็นก้อนหิ น, เ, นเราถึงได้รับความสุขบ้างเราถึงได้รับความทุกข์บ้างมันก็มีอยู่อย่างนี้ แล้วก็กําหนดมาพิจารณาอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยัง น, นี้เป็นข้อปฏิบัติความกลัวเกิดขึ้นมาก็จับความกลัวย้อนไปที่สาเหตุของมันมันเห็นย้อนไปแล้วจะเห็นภาวะของจิตก็อะไรขึ้นมาจับที่จิตตั้งย้อนเข้าไปทันทีจับแล้วไปย้อนเข้าไปทันทีอันนี้เป็นการตอบกลับกัน ร, ระหว่างธรรมกับสมุทยัย คือทำกับกิเลสสมุทัยคือที่เกิดเข้มามนะันที่เกิดเลยที่เกิดความรักที่เกิดความชังชังขึ้นมาจับปุ๊บกิริยาการของจิตชังเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้ย้อนไปที่เรื่องของมันพรักจับอาการของมันที่จิตปับ๊บย้อนไปที่เรื่องที่มันจะเกิดเจ็บาภาพร่างกายเจ็บจับความเจ็บของกายเนี่ะ กายมันเจ็บตรงไห น, นมันปวดตรงนั้นจับไปตรงนั้นคาว่าจับในที่นี้หมายความว่าเราพร้อมสติสัมปชัญญะเรามีพร้อมที่จิตเราจับไปทำความรู้สึกอยู่เฉพาะที่ความเจ็บความปวดจะไปย้อนไปดูสาเหตุของมันมันจะเทียบเคียงไปได้ทุกอย่างเทียบเคียงไปได้ทุกเรื่องเพราะธรรมะอันนี้เกิดขึ้นจากจิตดวงเดียวอย่างดังกล่าวนี่แหละเน่ยพิจารณาไปเราได้ข้อปฏิบัติ เราได้เข้าปฏิบัติมาตรงนี้มันเป็นการสาวย้อนหลังไปสู่เป้าหมายไปสู่สาเหตุไปสู่ต้นต่อไปสู่สมุทยัยของมันอย่างแท้จริงอ่ามันจะเป็นสมุทัยขั้นมูลฐานขั้นเหตุของเหตุขั้นที่สุดของเหตุที่สุดของเหตุก็คืออยู่ตรงนี้ย้อนไปที่จิตก็ไปที่สุดลงที่เหตุเมื่อเราไปรูป้เราไปเข้าใจเหตุแล้วเราก็ไม่สงสัยผลละ มันหมดความสงสัยผลโอพราเรารู้ทันเหตุผลมันก็ไม่เกิดแล้วพอเรารู้ทันเหตุผลมันก็หนับนะพอเรารู้ทันเหตุเกิดวิชาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความสว่างสวยโอกาสที่เราจะมืดมืดทึบทึยืดถือแบบผิดผิ ด, ผดถูกรูปรูปลำพลังมันก็หมดไปเพราะว่าเหตุผลมันไปจัดแจ้งชัดเจนอยู่ในภายใน ตัวนี้เราพยายามจับตรงนี้ได้เดินมาให้ได้หลักตรงนี้เหมือนอย่างในหลับมัสติปฐานท่านบอกว่าให้พิจารณาจิตให้พิจารณาจิตจิโลภให้รู้ให้พิจารณารู้ว่าจิตโลภจิตโกรธให้รู้ว่าจิตโกรธจิตลุ่มหลงจิตราคะจิตตัณหาจิตฟุ้งซ่านจิตรําคาญจิตดีใจจิตยินดีจิตยินร้ายนี่พนะพิจารณาการของจิตเท่านั้น พิจารณาพิจารณาก็คือจับไปประจับไปที่อาการของจิตในขณะปัจจุบันทันตัวแล้วก็ย้อนไปที่เหตุของมันย้อนไปที่เหตุของมันเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้สมุทัยมันก่อตัวมันก่อตัวแล้วมันจะแทรกมันจะดันเข้ามาอีกย้อนไปเพื่อให้มันก่อตัวที่มันจะแทรกเข้ามาดันเข้ามาอีกพอเราย้อนไปเห็นปั๊บมันก็สลายมันหมดเพราะกิเลสก็คือก้นคือรูปายคือมายาไม่มีตัวไม่มีตน มันเป็นหลักสักจธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นกิริยาอาการความไม่ฉลาดของจิตของเราเองที่มันเกิดขึ้นมาบดบังความรู้ความเข้าใจภายในจิตมันเป็นธาตุรู้ที่ยังไม่บริสุทธิ์มันมีสิ่งที่จะเป็นเหตุให้จิตของเราเนี่ยแปลเปื่อนเศร้าหมองมาปกมาปิดมามาคลุมไม่ให้เรามีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่มีความสุว่าง สบายไม่รู้เหตุไม่รู้ผลรู้ต้นต่อม่รู้ที่ไปไม่รู้ที่มามีเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราควรยอ้อนมันนึกมาคิดมาพิจารณาเพราะฉะนั้นราบฐานมันเข้าไปตั้งแต่ับเราทั้งอกทั้งใจนี่แหละอุตส่าห์พยายามขยันหมัน่นเพียรทําิดให้ใจรความสงบตั้งใจรักษาศีลดยยิ่งอย่าไปรักษาเล่นๆตั้งใจรักษาโดยยิ่งไม่ข้ามแม้แต่ผมเส้นเดียว อันไหนที่ท่านบอกว่าอันนั้นอย่านะอันนี้อย่าน ะ, ะยึดถืออย่างเด็ดขาดจริงๆอย่าไปหย่อนให้มันแม้แต่ข้อไหนก็ตามที่ท่านห้ามอย่างนั้นเน่ยอย่านะอย่างนี้อย่านะอันนั้นควรทำอันนี้ควรทําซึ่งเป็นไปตามฉิมตามทำฟังหมดเชื่อยึดถือเอาหมดปฏิบัติเอาหมดเนี่ยนี่คือข้อปฏิบัตินับตั้งแต่นับตั้งแต่ข้อวัดปฏิบัติจุ่มๆเขี้ยวๆอะไรที่ครูบาอาจารย์ท่านปูกฝังมาเราต้งออกตั้งใจฝึกฝนอบรมตั้งใจรักษาตั้งใจปฏิบัติ ตั้งใจให้ทําให้จิตได้รับความสงบทำอย่างไรมันถึงจะสงบตะล่อมอย่างไรมันถึงจะสงบพล่อมอย่างไรมันถึงจะอยู่ใช้อุบายอย่างไรมันถึงจะอยู่ใช้ความภาคความเพียรมากขนไหนน้อยขนาดไหนมันถึงจะอยูอ่เวลามันจนตัวมันเจ็บมันปวดเหลืออดเหลือทนเหลือทุกข์ทรมานเรามีวิธีการช่ว ย, ช, วยช่วยเหลือตัวเองอยังไงบ้างที่จะทําให้จิตของเราหนึ่งได้กําไรไม่ขาดทุนไม่รื้อบรรลังที่กลางคัน เราทำไงเราถึงจะได้กำไรก็ดัง so ที่อธิบายให้ฟังเลยเมื่อร่างกายร่างกายเจ็บใครใดตัวดจับที่ความเจ็บสมมติเรานั่งเภาานานๆนปวดขึ้นมาปวดตัวพกปวดหัวเข่าปวดต้นขาปวดตรงไหนประการใดต้องมีสติทำตัวที่เด่นที่สุดที่เราควรยึดไว้ให้อยู่ในกำมือคือสติกับสัมาธิจังยัด ตัวนี้แหละเป็นตัวที่เราต้องฝึกฝนทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีตัวสติตัวสัมปชัญญะจับไปที่ความเจ็บเราก็ย้อนไปที่เหตุของมันจับที่อาการของมันเราไปย้อนไปที่เหตุของมันคลี่คลายดูเหตุดูปัจจัยต้นตอที่แท้จิิงของมันคืออะไรทั้งนี้เพื่อทําไรผู้ที่มาสวมรอยทํำให้เราหลงไปกับกลโนบายมายาของมัน วิธีการทําแบบนี้มันเป็นการวิธีฝึกเป็นวิธีหัดวิธีขัดวิธีเปล่าวิธีซับฟอกจิตให้จิตมีความรู้ให้มีความเข้าใจให้เกิดวิชาขึ้นมาที่จิตเพื่อทําลายอวิชาที่มันมีอยู่ภายในจิตทําลายวิชาก็คือทําลายความลุ่มหลองทําลายความลุ่มหลองก็คือทําลายความมู่ความคืบเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นต่อเห็นที่ไปเห็นที่มาหมกมัแล้วก็หมดสงสัย เหมือนอย่างบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องที่เรามีความสงสัยพอเราถามไปถามไปสาวไปสาวไปไปรู้ไปเข้าใจแล้วนะความหายสงสัยตอนนั้นมันไปยังไงมันมียังไงมันเป็นยังไงเราก็ทราบแก่ใจของเราเองโอ้เรื่องนี้เราเคยเข้าใจอย่างนี้นี้อเราทราบเหตุผลออกมาแล้วเป็นนี้นี้มันก็กรจายหายไปตรง น, นั้นตอนนั้นเองี่ภาวะที่เรา มีการยึดมีการถือจนเป็นเหตุให้เราได้รับทุกหลายหลายชั้นหลายๆซรัพแลหลายซ้อนด้วยเหตุอย่างนี้ด้วยปัจจัยอย่างนี้นคือต้นทางคือที่ไปคือที่มาสำหรับข้อปฏิบัติของเราพวกเราตั้งอก ต, ตั้งใจเข้าไปแล้เวเวลาพอสมควรเอาให้ทนไปเลยก็ได้นะตั้งใจเด็ด เ, เดี่ยวไปแล้วเวลาอีกทั้งหลายวัน ก็จะออกพรรษาในระยะนี้เราตั้งเอาไปเพราะออกพรรษาไปแล้วนี่มันก็ไม่ค่อยจะแน่นอนแน่นอนบางท่านก่อจะอยู่ไม่มีกําหนดบางท่านก่อนจะซื้อย่างนั้นอย่างนี้ไปมันกลายเป็นเรื่องแน่นอนไปแล้วแต่สําหรับผู้ที่ตังอกตั้งใจเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสองสารไม่มีกําหนดไม่มีอะไรอันนี้เราก็ตั้งเอาไว้จาก น, นี้ไปออกพรรษา จับออกภรรษาไปแล้วเราก็จับอันนี้ให้มั่นต่อไปอีกเราจะมีความอบอุ่นเราจะมีความสุขเราจะมีความสงบเราจะมีความอบอุ่นจะอยู่ที่ไหนอยู่ป่าอยู่เขาอยู่บ้านอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขด้วยเหตุที่เรามีข้อปฏิบัติอันนี้ให้เราตั้งปกตั้งใจะจะนี้ไปออกพรรษาหลายวันถ้าเผื่ อ, อยังไงเราก็จะพยายาม มารวมกันให้ให้บ่อยบ่อยครั้งเข้าให้บ่อยครั้งเข้าเพื่อเพือ่อเพื่อเป็นการเอาเวลาตรงนี้มาทำให้เกิดประโยชน์ถ้าเผื่เราไม่ทําก็ไม่แน่ใจว่าบางท่านอาจจะไปเสียเวลากับสิ่งกับสิ่งนี้ทํานี้ไปเวลาแค่นี้ไม่มากหรอกตอนคืนล่วงไปกลางวันตลอดทั้งวันตอนคืนตลอดทั้งคืนมากมายมหาศาล เราใช้เวลามาได้ยินได้ฟังได้ตั้งอกตั้งใจฟังแทนี้ได้รู้ได้เห็นได้ความพร้อมเพรียงสามัคคีในหมู่สองของเราเป็นเหตุใหไ้ได้รับประโยชน์มีแต่คุณมีแต่ประโยช น, เน์เป็นไปเพื่อศีลเป็นไปเพื่อธรรมโดยแท้จริงไม่ออกนอกลู่ไม่ออกนอกทางอยู่ในถ้ำกลางของอนทางในครอบติบัตของเรานะวันนี้เอาพอสมควรแค่นี้แล้วนะ